จเจรอญพรท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจอุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช5 5 4นเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทําบุญล้าบาปชำระใจให้สะอารไร้สุขเพราะมีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนเรื่องกฎแห่งกรรมคือทําดีได้ดีได้ความสุขทําบา ได้ความทุกข์ได้ความเสื่อมเสียเพราะกฎแห่งกรรมนี้เป็นผู้ที่จะให้ผลต่างๆกับเราไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลไม่ดีก็ตามเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองไม่มีใครสร้างผลของกรรมให้แก่เราได้ นอกจากตัวเราเองคาว่ากรรมนี้เป็นคำกางกลา ง, ลางไม่ได้หมายความว่าเป็นว่าบาปแต่เป็นเป็นแปลว่าเป็นการกระทากรรมนี้แปลว่าการกระทาแต่เรามักจะใช้กรรมนี้แทนคำว่าบาปแต่ความจริงแล้วเวลาพูดถึง กรรมนี้ในทางศาสนาหมายถึงการกระทำซึ่งมีอยู่สามสามทางด้วยกันคือการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมการกระทำทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมและการกระทำทางใจเรียกว่ามโนกรรมนี่คือเป็นการกระทำ ที่พวกเราทํากันอยู่เป็นประจำอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับหรือแม้ในขณะที่หลับมนโกนกรรมคือความคิดของใจก็ยังทางานอยู่ทําให้เราฝันเห็นเรื่องนั้นเห็นเรื่องนี้นีเนเนน่เป็นมนโกนกรรมคือการกระทาทางใจการกระทำทางใจนี้ เป็นการกระทำที่ที่เป็นผู้นำส่วนการกระทำทางวาจาและทางกายนี้เป็นผู้ตามการกระทาทางกายและทางวาจานี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการกระทำทางใจคือมโนกรรมใจเป็นผู้สั่งการพอสั่งไปแล้วก็จะ เกิดการกระทําทางกายทางวาจาขึ้นมาเช่นวันนี้ญาติโยมก็คิดกันว่าจะมาวัดทําบุญนี่เรียกว่ามโนกรรมพอคิดแล้วก็พูดชวนเพื่อนฝูงญาติพี่น้องว่าให้มาทําบุญที่วัดกันนี่ก็เรียกว่าวจีกกรรมพอเราเตรียมตัว เตรียมข้าวเตรียมของออกเดินทางมาที่วัดนี่ก็เรียกว่ากายกรรมการกระทา น, ทนี้ก็มีอยู่สามทางด้วยกันทางที่ดีเรียกว่าบุญกุศลทางที่ไม่ดีเรียกว่าบาอากุศลทางที่เป็นกลางคือไม่ดีไม่ชัว่วเรียกว่า เป็นการกลางมีอยู่สามทางด้วยกันในชีวิตของเราในแต่ละวันเราก็จะทำกรรมเหล่านี้สลับกันไปตามอารมณ์ตามความรู้สึกนึกคิดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางเวลาก็คิดดีก็จะพูดดีทำดี บางเวลาอารณ์ไม่ดีก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดีบางเวลาก็เฉยๆจะว่าดีก็ไม่ใช่จะว่าชั่วก็ไม่เชิงก็จะคิดแบบกลางๆถ้าพอเราคิดแล้วทำไปแล้วพูดไปแล้ววิบากก็จะตามมา คำว่าวิบากนี้ก็คือผลของกา ร, รคือการกระทำของเราเมื่อทำไปแล้วก็จะเกิดผลตามมาผลนี้ก็มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือผลภายนอกกับผลภายในผลภายนอกก็คือเวลาเราไปพูดไปทำอะไรแล้วเราก็ได้รับผลตอบแทนมาจากกระทำของเรา เช่นเราพูดดีทำดีเราก็ได้รับการตอบสนองที่ดีเช่นได้รับการชมเชยได้รับรางวัลแต่ผลข้างนอกนี้เป็นผลที่ไม่แน่นอนบางครั้งเราพูดดีทำดีแต่กลับไม่ได้ผลที่ดีกลับมาก็ได้เช่นพูดไปแล้ว ึงแม้ว่าจะเป็นคำพูดที่ดีแต่เป็นคำพูดที่ไม่ถูกใจคนฟังแทนที่คนฟังเขาจะมีความชื่นชมยินดีกับการพูดของเรากลับเกิดความโกรธเราขึ้นมาก็ได้เช่นเราไปเตือนเขาว่าเขากำลังทำในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเขา เป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริงเขาชอบให้คนพูดแต่สิ่งที่ดีกับเขาพอเขาได้ฟังในสิ่งที่ไม่ดีเขาก็เกิดความโกรธขึ้นมาได้ไม่ชอบที่หน้าเราขึ้นมาได้ดังนั้นผลที่เกิดจากภายนอกนั้นจึงเป็นผลที่ไม่แน่นอนเสมอไปบางทีพูดดีทำดีกลับไม่ได้รับ ผลดีก็ได้บางทีพูดไม่ดีทำไม่ดีกลับได้รับผลดีก็ได้เช่นพูดในคำพูดที่ไม่ตรงกับความจริงแต่คนฟังชอบฟังคำพูดแบบนั้นเช่นชอบถ้าเราสรรเสริญเยินยอผู้อื่นทั้งทั้งที่ไม่เป็นความจริงแต่คนฟังที่ชอบคำสรรเสริญเยืนย อ, อ, อก็จะชอบเรา ก็อาจจะให้รางวัลกับเราเป็นผลตอบแทนก็ได้แต่นี่ไม่ใช่เป็นวิบากที่แท้จริงไม่ใช่ผลที่แท้จริงผลที่แท้จริงนี้คือผลที่เกิดขึ้นภายในใจของเราในขณะที่เราคิดดีพูดดีทำดีใจของเราจะมีความสุขความสุขนี้คือสวรรค์ ในขณะปัจจุบันนี้เวลาเราคิดดีพูดดีทำดีใจเราก็ขึ้นสวรรค์ไปพอเราไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใจเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใจของเราก็เป็นนรกไปนี่คือผลที่แท้จริงอยู่ในใจของเราอยู่ในปัจจุบันนี้เลย ทุกครั้งที่เราคิดดีพูดดีทำดีใจของเราก็จะเป็นสวรรค์แล้วก็จะสะสมไปเรื่อยๆถ้าคิดดีพูดดีทำดีอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะมีสวรรค์มากขึ้นไปเรื่อยๆในทางตรงกันข้ามถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพูดปดเสพสุรายาเมา ประพฤติผิดประเวณีรักทรัพย์ใจของเราก็จะมีความทุกข์และก็จะเป็นนรกขึ้นมาภายในใจของเราการกระทาเหล่านี้จะสะสมไปเรื่อยในใจของเราจนถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปพอร่างกายนี้ตายไปบุญและบาปที่เราได้สะสมกันไว้ก็จะมา แย่งกันเป็นตัวที่จะฉุดลากใจของเราให้ไปเกิดในที่สูงหรือที่ต่ำถ้าบุญที่เราทำนี้มีกำลังมากกว่าก็จะชุดเราไปสู่สุคติไปเกิดเป็นเทพเป็นพรมเป็นพระอริยเจ้าเป็นมนุษ ย, นย์ถ้าบาปมีกำลังมากกว่านารกมีกำลังมากกว่า ก็จะฉุดใจของเราให้ไปเกิดในอาบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นมันนรกบ้างนี่แหละคือวิบาสที่แท้จริงคือผลที่แท้จริงที่เกิดจากการกระทำของเราดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทราา ง, สงสอน ให้พวกเราทำบุญโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนจากผู้รักเช่นเวลาเราช่วยเหลือใครเราช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้ที да ่เราให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลที่มีน้ำหนักต่อจิตใจของเราเหมือนกับ ผลที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเวลาเราได้ช่วยเหลือใครได้ให้ความสุขกับใครเราจะเกิดความสุขขึ้นมาภายในใจเราใจของเราได้เป็นสวรรค์ขึ้นมาอันนี้ก็พอแล้วมากกว่าสิ่งตอบแทนที่เราที่ผู้ได้รับการช่วยเหลือจากเราจะสามารถให้กับเราได้ดังนั้นถ้าเราทำดีแล้วเราไม่ดี ไม่ต้องไม่ต้องไปเสียใจถ้าเราทำบาปแล้วได้รับผลดีก็อย่าไปหลงระเริงเพราะผลดีที่เราได้รับนี้มันไม่มีน้ำหนักไม่มีความสำคัญต่อจิตใจของเรายิ่งกว่าผลของบาปที่เกิดขึ้นมาภายในใจคือนรกหรืออบายที่กำลังเกาะตัวขึ้นมาภายในใจของเรา ผลที่ภายในใจนี้ต่างหากที่เราจะต้องเป็นผู้รับผลที่แท้จริงผลภายนอกเช่นการถูกเขายกย่องสรรเสริญหรือถูกเขาคลหานินทาหรือถูกเขาทำลายหรือเขาให้รางวัลกับเราสิ่งเหล่านี้มันไม่มีน้ำหนักมากนักสำหรับใจของเราเพราะอย่างไร ร่างกายของเราก็จะต้องเจอสิ่งเหล่านี้อยู่ดีไม่ว่าเราจะทำดีหรือไม่ทำดีก็ตามร่างกายของเราสักวันหนึ่งก็ต้องเจ็บเหมือนกับถูกเขาทำร้ายร่างกายของเราสักวันหนึ่งก็จะต้องตายเหมือนกับถูกคนอื่นเขาฆ่าเราตายไปซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายนี้อยู่แล้วจึงไม่ได้เป็นเรื่องสาคัญอะไร เวลาเราทำดีหรือทำชั่วแล้วเราได้รับผลตอบแทนจากผู้นี้เป็นเรื่องเล็กน้อยในทานหลักของกฎแห่งกรรมผลที่เราได้รับที่เกิดขึ้นภายในใจของเราต่างหากที่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธลบล้างไม่ได้ทำดีแล้วถึงแม้จะไม่มีเงนได้รางวัล ถึงแม้จะไม่มีใครย่งย่อ ง, องสรรเสริญแต่ใจของเรานี้เป็นสวรรค์ขึ้นมาแล้วเป็นเทพเป็นพรหมขึ้นมาแล้วเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาแล้วโดยที่ไม่ต้องมีใครมามามอบให้กับเรามันเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับบาปที่เราทำ ถึงแม้จะไม่มีใครรู้หรือถึงแม้จะไม่มีใครเข้ามาจับเราไปลงโทษแต่โทษนั้นมันได้เกิดขึ้นมาภายในใจของเราแล้วคือนรกนี่เองคืออบายอบายคือภูมิต่างๆเช่นเปรตอสุากายเดระฉานนารกมันเกิดขึ้นภายในใจของเราแล้ว แล้วเมื่อร่างกายของเราตายไปภูมเหล่านี้ก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปขึ้นอยู่ว่ากำลังของภูมิมันไหนมันมีมากกว่ากันถ้าทำบาปมากภูมิของอบายก็จะมีกำลังมากก็จะฉุนลากให้ไปเกิดในอบายถ้าทำบุญมากภูมิภูมิของบุญก็จะมีกำลังมากก็จะ ดึงใจให้ไปเกิดในที่ดีไปเกิดในสุขติได้ดังนั้นเวลาที่เราทําบุญทําความดีและเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับผลดีก็ขอให้ทําความก้อใจว่าเราได้รับแล้วเพียงแต่เราไม่รู้เราไม่ดูผลที่เกิดขึ้นภายในใจของเรา แล้วเราก็มาสร้างผลที่ไม่ดีตามต่อจากการทำความดีคือความเสียใจนี่ก็เป็นการกระทาไม่ดีแล้วเวลาทำความดีแล้วเราไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีเรารู้สึกน้อยหงุดน้อยใจนี่ก็เป็นความคิดที่ไม่ดีแล้วเป็นกรรมไม่ดีแล้วเพราะทำให้ใจเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดเป็นนรกขึ้นมา ดังนั้นเมื่อเราทำความดีแล้วถ้าเราไม่ได้รับผลตอบแทนอย่าไปน้อยใจอย่าไปเสียใจเพราะนี่ไม่ใช่เป็นการคิดที่ดีเป็นการคิดที่จะสร้างความทุกข์สร้างอบายให้เกิดขึ้นมากับใจของเราเมื่อเราทําความดีแล้วเราอย่าไปหวังผลตอบแทนจากใครทั้งนั้นผลตอบแทนที่ให้กับเหล่านี้ไม่มีคุณค่าราคา เหมือนกับผลตอบแทนที่เกิดจากความสุขใจที่ปรากฏขึ้นมาในใจของเรานี่คือถ้าเราทาถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วต่อไปเวลาเราทำความดีเราจะไม่รู้สึกเสียใจจะไม่น้อยอกน้อยใจจะไม่ลังเลสงสัยว่ากรรมมีจริงหรือไม่ทำดีได้ดีหรือไม่ทำชั่วได้ชั่วหรือไม่เพราะมันได้อยู่แล้ว แต่เราไปมองผลของของบุญของของบาปผิดที่เท่านั้นเองเราไปมองผลข้างนอกเราไม่มองผลข้างในผลข้างนอกต่อให้เราได้รับมากได้รับมากน้อยเพียงไรก็ตามได้รางวัลหรือได้ร่ํารวยเป็นมาเศด็จีมันก็แค่ชั่วอายุของร่างกายนี้เท่านั้นพอร่างกายนี้ตายไปแล้วผลเหล่านั้นมันก็หมดสภาพไป แต่ผลที่อยู่ในใจนี้มันยังมีอยู่มันยังส่งผลให้อยู่ดังนั้นขอให้เราคิดเสมอว่าทำบุญทำบาปนี้มีผลอย่างแน่นอนแต่มีผลอยู่ภายในใจผลภายนอกนี้เป็นผลคอยได้อาจจะเกิดขึ้นก็ได้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้อย่าไปให้ความสำคัญ ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้มีความแน่วแน่มั่นคงต่อการทำความดีต่อการละบาต่อการชำระใจของเราให้สะอาดลอยสุดเพราะใจของเราถ้าคิดไปในทางโลกทางโกรธทางหลงก็จะทำให้ใจเราเศร้าหมองทำให้ใจเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีต่อไปนั่นเองเราจะต้องทา ภารกิจทั้งสาประการที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายให้แก่พวกเราทําให้มากคือต้องทําบุญอยู่เรื่อยๆละบาปอยู่เรื่อยๆและชําระใจของเราอยู่เรื่อยด้วยการไม่มีความโลภคือไม่ต้องการผลตอบแทนจากการทําความดีของเราเราทําไปตามหน้าที่ของเราเราทําเพื่อใจของเรา เราทำเพื่อสวรรค์ที่เกิดขึ้นภายในใจของเราส่วนผลภายนอกเขาจะให้รางวัลเราจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้กับเราก็ไม่ปฏิเสธเขาให้มาก็รับไว้ฉลองศรัทธาไปเพื่อไม่ให้เขาเสีย อ, อกเสียใจเพื่อให้เขาได้มีโอกาสได้ทำบุญได้ทำความดีแต่เราไม่มีความปรารถนา แม้แต่คำว่าขอบใจก็ไม่ปรารถนาให้ไปแล้วก็ให้ไปอย่างมาทำบุญกับพระก็ไม่ต้องขอพรไม่ต้องรอรับพรก็ได้เพราะพร น, นี้ก็เป็นคำสอนเท่านั้นเองสอนให้เราทำดีเพื่อความสุขทางอายุบรรลาสุขภพน ะ, พะไม่ได้สอนให้เราร่ิมรวยอย่างวันนี้เป็นวันออกลอตเตอรี่หวยออก คนบางคนนักจะชอบทำบุญกันในวันนี้เพราะอยากจะถูกวตเตอรี่ถูกหวยกันนี่ก็เป็นการทำบุญที่ผิดแล้วทำบุญที่ไม่เข้าใจถึงหลักของบุญว่าเป็นอย่างไรพอหวยออกแล้วไม่ถูกก็เกิดความเสียใจขึ้นมาแทนที่จะได้รับผลบุญกลับมาสร้างบาปเพิ่มขึ้นด้วยความเสียใจที่เกิดจากความโลภ ความอยากได้เพราะไม่คอยชำระใจดังนั้นขอให้เราจงอย่าไปหวังผลตอบแทนจากสิ่งภายนอกไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นก็ถือว่ามันเป็นมันเป็นความเคาะกำรรของเรากละกันแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดไปเพราะอย่างมากมันก็แค่ตายเท่านะั้น ถึงแม้ไม่มีข้อกรรมอะไรเกิดขึ้นเลยเราก็ต้องตายอยู่ดีดังนั้นจึงไม่สำคัญว่าจะได้รับผลอย่างไรในในทางภายนอกให้สำคัญให้ระวังกับผลภายในเพราะมันจะต้องส่งให้เราไปเกิดต่อไปในที่ดีหรือไม่ดีนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมขอให้พวกเราจง พยายามดูใจของเราเป็นหลักเพราะใจของเรนี้เป็นผู้เริ่มการกระทําต่างๆขึ้นมามโนกรรมก็คือความคิดนี้เองเราจะคิดดีหรือคิดไม่ดีก็อยู่ที่อารมณ์ของเราว่าดีหรือไม่ดีถ้าอารมณ์ดีเราก็จะคิดดีอารมณ์ไม่ดีเราก็จะคิดไม่ดีดังนั้นเราต้องคอยบีสติ คอยเฝ้าดูอารมณ์ของเราหรือไม่หรือควรที่จะป้องกันอารมณ์ไม่ดีให้เกิดขึ้นและพยายามสร้างอารมณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นถ้าดูเฉยๆนี่มันไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเพราะเวลาที่เกิดอารมณ์ไม่ดีเราก็อาจจะไม่สามารถควบคุมมันได้ดังนั้นทางที่ดีเราควรผลิตอารมณ์ที่ดี และห้ามไม่ให้อารมณ์ที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นจะดีกว่าวิธีที่จะทำให้เกิดอารมณ์ที่ดีก็คือพระเจ้าทรงสอนให้เรามีปัญญาคอยพิจารณาอยู่เรื่อยเช่นให้พิจารณาความเสี่ยงอยู่เรื่อยๆให้พิจารณาการดับอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อเราจะได้ดับ ความโลภกับความโกรธได้ถ้าเราไม่เห็นความเสือ่อมความตายเราก็อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าเราเห็นความตายอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่อยากจะได้อะไรเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปแล้วเราไม่อยากจะได้อะไรเราอยากจะได้บุญมากกว่าอยากจะทำบุญมากๆเช่นคนที่เวลาไปหาหมอ หมอบอกว่าจะต้องตายภายในสามเดือนหเดือนนี้เขาจะไม่โลภอยากจะได้อะไรถ้าเขารู้ว่าเขาไม่มีทางที่จะรักษาโรคของเขาให้หายได้้วสิ่งที่เขาอยากจะทำมากที่สุดในตอนนี้ก็คือทำบุญเพราะเขาอยากจะไปสวรรค์เขาไม่อยากจะไปนรกไม่อยากจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรกไปตกนรก ดังนั้นเวลาที่เราระลึกถึงความตาอยอยู่บ่อยๆจะทำให้ใจเรามีอารมณ์ดีคือมีอารมณ์ที่อยากจะทำบุญแทนที่อยากจะทำบาปเราก็จะไม่อยากจะทำบาปเราอยากจะทำบุญเพราะว่าเรารู้ว่าชีวิตของเรานี้ใกล้แล้วเราจะตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แล้วเราไปโลภอยากได้ลาบยศฉะละเสริญ ความสุขต่างๆมาทำไมความราบยศสรรเสริญความสุขต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถมายับยั้งความตายของเราได้ไม่สามารถทำให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่บุญกุศลนี้ต่างหากที่จะทำให้ใจของเราเย็นใจของเราสงบทำให้ใจของเราเป็นสวรรค์ ในขณะที่เรากำลังจะตายได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีอารมณ์ดีอยู่เรื่อย ๆ, อยๆก็ขอให้เราระลึกถึงความเสื่อมอยู่เรื่อยๆละลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆละลึกถึงการพลาดลาจากกันอยู่เรื่อยๆละลึกถึงความที่ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอันนี้ก็ให้คนคิดอยู่เรื่อยๆ เช่นร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายนี้เป็นของดินน้ําลมไฟเพราะร่างกายนี้มาจากดินน้ําลมไฟมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปอาหารที่เรารับประทานก็มาจากข้าวมาจากผักมาจากผลลไม้สิ่งเหล่านี้ก็ต้องมาจากดินจากน้ำจากลมจากไฟ ที่ผสมประสานกันทำให้เป็นเมล็ดข้าวทำให้เป็นผลไม้เป็นผักแล้วเมื่อสัตว์กินข้าวกินกินผักกินหญ้ามันก็กลายเป็นเนื้อสัตว์ขึ้นมาพอเรากินอาหารต่างๆทั้งที่เป็นเนื้อสัตว์และเป็นผักผลไม้ก็เท่ากับเรากำลังเอ า, าธาตุสี่คือดินน้ำเมไฟเข้ามา ในร่างกายของเราเพื่อมาสร้างอาการ32ของร่างกายเราให้เจริญเติบโตขึ้นมาร่างกายของเราก็มีอะไรก็มีแค่อาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยเป็นต้นเหล่านี้เป็นอาการ32ที่เกิดจากอาหาร ที่มาจากดินน้ำลงไฟแล้วเมื่อร่างกายนี้ตายไปร่างกายอาการ32สิบสองต่างๆเหล่านี้ก็จะบุกสลายกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปดังนั้นร่างกายนี้จึงไม่ใช่เป็นตัวเราของเราขอให้เราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราไม่ใช่ร่างกายเราเป็นใจใจพูดสั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทำ ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายดังนั้นใจไม่ต้องตกใจใจไม่ต้องไปยึดติดกับร่างกายอย่าไปเสียดายอย่าไปหลงว่าเป็นตัวเราของเราถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะไม่เดือดร้อนเหมือนกับเวลาที่ร่างกายของคนอื่นตายไปเรารู้สึกเฉยเฉยเพราะว่ามันไม่ใช่ร่างกายของเรา ชั้นใดร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่ของเราเราได้มาเป็นสมบัติชั่วคราวเหมือนกับสมบัติอื่นๆเช่นรถยนต์บ้านเข้าของเงินทองสิ่งของต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสมบัติชั่วคราวไม่ใช่เป็นของเราอย่างถาวรพอเราตายไปพอร่างกายนี้ตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยสิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือนรกหรือสวรรค์ ที่เราสร้างขึ้นมาภายในใจในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่เองเวลาที่เราคิดดีพูดดีทำดีเพราะเรามีอารมณ์ดีเราก็จะทำแต่บุญเราก็จะสร้างสวรรค์ขึ้นมาถ้าเรามีอารมณ์ไม่ดีเราก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็จะทำบาป ท, ทำกรรมสร้างนรกขึ้นมา ถ้าเราคิดอย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้เราคิดคือคิดว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วต้องดับไปไม่มีอะไรเป็นของเราเราก็จะมีอารมณ์ดีเพราะเราจะไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้อะไรไม่ไม่ไม่เสียใจเวลาที่เราสูญเสียอะไรไปไม่โกรธแค้นโกรธเคืงใครเวลาถูกใครทำร้าย หรือเวลาใครเขาเอาสิ่งที่เรารักเราชอบไปเพราะเราจะรู้ล่วงหน้าว่ามันไม่ใช่เป็นของเราและเขาจะต้องจากเราไปอย่างแน่นอนถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะคิดต่าตาคิดไปในทางที่ดีพูดดีทดําดีเสมอจะไม่โกรธแค้นโกรธเคืองไม่อาฆาตพยาบาทใครทั้นั้นใครจะทําร้ายเราก็เป็นเรื่องของเขา เขาทำแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องรับผลของการกระทาของเขาอยู่อยเองเราไม่ต้องไปให้ผลเราไม่ต้องไปทำร้ายเขาการกระทาของเขานั่นแหละทำร้ายตัวเขาเองแล้วทำลายตัวเขาเองแล้ ว, ลว เ, เวพราะถ้าเขาทำบาปเขาก็จะต้องเขาก็สร้างนารกขึ้นมาภายในใจสร้างอบายขึ้นมาภายในใจถ้าเขาทำดี เขาก็สร้างบุญสร้างคุสมสร้างสวรรค์ขึ้นมาภายในใจเราไม่ต้องไปให้รางวัลเขาก็ได้เขาก็ไม่ต้องการถ้าเขาเป็นคนรู้จักหลักของกรรมอย่างแท้จริงถ้าถ้าเขาทำด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ใจทำเพื่อสวรรค์ภายในใจของเขาเขาจะไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากเราเลยเหมือนกับญาติโยมที่มาทำบุญกับพระนี่ก็ ญาติโยมไม่ได้ต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนกลับไปเพราะญาติโยมเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อว่าทาบุญนี้แล้วได้สวรรค์ขึ้นมาภายในใจไม่มีใครจะให้สวรรค์กับเราได้และสิ่งต่างๆที่คนอื่นก็ให้กับเราได้ก็ไม่มีคุณค่าราคาเท่ากับสวรรค์ที่เราได้รับจากการกระทาบุญของเราอยู่แล้วนี่คือกฎแห่งกรรม ดังนั้นขอให้พวกเราอย่าลังเลสงสัยว่าบาปมีจริงหรือไม่บุญมีจริงหรือไม่นรกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่ขอให้หันเข้ามาดูที่ใจของเราแล้วเราจะเห็นนรกและสวรรค์ที่มีอยู่ภายในใจของเราตอนนี้ใจของเราเป็นอย่างไรเย็นสบายมีความสุขตอนนี้ก็เป็นสวรรค์แล้ว ใจเราไม่รุ่มร้อนไม่หิวไม่อยากไม่โกรธแค้นโกรเคืองไม่อาคาาพยาบาทเพราะว่าใจของเราตอนนี้มีธรรมะนั่นเองธรรมะนี่แหละที่จะทำให้เรามีอารมณ์ดีถ้าเราคิดไปในทางธรรมะอยู่เรื่อยๆคิดไปในทางที่พระเจ้าทรงสอนให้คิดว่าเราเกิดมาแล้วต้องมีความแก่เป็นธรรมดา ต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องมีความตายเป็นธรรมดาต้องมีการพัดพาดจากการธรรมดาแล้วคิดว่าเรามีกรรมเป็นของเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วใจของเราจะไม่คิดที่จะทำบา พราะเรารู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีคุณค่าราคาเท่ากับการทำบุญไม่มีอะไรจะมีคุณค่าราคาแต่ความล่มเย็นเป็นสุขภายในใจของเราต่อสวรรค์ที่มีอยู่ภายในใจของเราและเราจะพยายามรักษาสวรรค์นี้ไม่ว่าจะถูกใครเขาทำร้ายเราหรือทำลายเราเราจะไม่ไปทำร้ายเขา ว่าเราไม่ต้องการสร้างไฟนรกขึ้นมาภายในใจของเราดังพระอาหารหัน์ทั้งหลายเวลาที่ท่านต้องตายไปด้วยวิบากของท่านท่านจะไม่ตอบโต้เลย mm hmm. เช่นพระพุทธเจ้าก็ไม่ตอบโต้กับพระเทวทัตพระเทวทัตพยายามปรองปรองพจนถึงสามครั้งด้วยกันแต่พระโพองค์ไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้คิดอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นโกรธเคืองเลย แต่ถ้าเป็นพวกเราจะทำได้หรือเปล่าถ้ามีคนมากลั่นแกล้งเราให้เราต้องถูกไล่ออกจากงานหรือถูกให้สามีหรือภรรยาทิ้งเราจากเราไปเราจะรู้สึกเฉยเฉยได้หรือเปล่าถ้าเรามีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราจะทำได้เพราะเราจะรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดมาแล้วก็ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องพัดพากจากกัน เกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องตายทำงานแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องออกจากงานถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าเวลาเกิดการสูญเสียเกิดการพัดพาจากกันเราจะไม่คิดรายเราจะคิดดีเสมอและเราจะได้รักษาสวรรค์ไว้ในใจของเราได้อย่างไปได้อย่างตลอด นี่คือเรื่องของกรรมคือบุญและบาป ท, ที่เราเป็นผู้สร้างกันขึ้นมาเองไม่มีใครสร้างบุญและสร้างบาปให้กับเราได้ไม่มีใครสร้างนรกสร้างสวรรค์ให้กับเราได้เราเป็นผู้สร้างเองเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักวิธีสร้างขึ้นมานั่นเองดังที่ได้สอนแต่วันนี้ก็คือเราต้องมีอารมณ์ดีอยู่เรื่อยๆ เวลาวิธีที่จะมีอารมณ์ดีก็ต้องมีธรรมะคอยสอนเราอยู่เรื่อยๆคอยสอนบอกเราว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะได้ตั้งอยู่ในความดีได้จึงขอฝากเรื่องของการมาทบุญด้วยความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ ให้ท่านไดน้นำเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอผู้สมผบุบุญที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ย่อไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมี้แต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวันนาสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ